แต่วันโพสัยคืนแม้ยาวนานแต่มันจะผ่านไปเมื่อวันฟ้าสดใสวันนี้ อรา